สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอปปุปาทานเกิดขึ้นเพราะนาสัมปยุตตปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับานาอารมณปัจจใจนาวิปยุตตะปัจจัย24สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน อาศัยสภาวะธรรมที่กล่อมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กล่มอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นสำหรับเหล่าอจัญญสัตตพรมอาศัยมหาภูรูปหนึ่งสภาวะธรรมที่กล่อมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 ที่มีอุตุเป็นสมสุมทฐานสภาวะธรรมที่กลามอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอาร like มณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่กลามอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนววิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กลามอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นโนนัติปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยี่สิห้าสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ก ร, รัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเกิดขึ้นเพราะโนนัติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัยพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัจญจิยวาระ ในกุศละปิกะสองปัจยะปัจญญาสองสังคยาวาระสุทไนยยี่สิบหกณเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอารมณปัจจัยมีหกวาระณอธิปติปัจจัยมีหกวาระณอนันตระปัจจัยมีหกวาระณสมณันตระปัจจัยมีหกวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระ นอุปนิสยปัจจัยมีหกวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเจวาระนปัจชาชาตะปัจจัยมี9้าวาระนอเสวณัปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีหกวาระนอาหารปัจจัยมีสองวาระนอินทรียปัจจัยมีสองวาระนาชานะปัจจัยมีสองวาระนามฆาปัจจัยมีห้าวาระ นสัมปยุตตะปัจจัยมีหกวาระหนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีหกวาระโนวิคตะปัจจัยมีหกวาระนเหตุตุกกะในหน้อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระหนอธิปติปัจจัยละถึงมีห้าวาระหนอนันตระปัจจัยกับหนเหตุปัจจัยมีสี่วาระหนอเสวะณปัจจัยละถึงมีห้าวาระ นกรรมะปัจจใจมีหนึ่งวาระนวิปากะปัจจัยมีสองวาระณัชานะปัจจัยมีสองวาระนักมขปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจใจมีสี่วาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนวิคตะปัจใจมีสี่วาระพึงนับเหมือนในกุชลติกะปัจญียจบสปัจจญานุโลมปัจญียะ เพตุท hey, ุกนายยี่สิบเจณอรมณปัจจัยกระเพตุปัจจัยมีหกวาระณปุเรชาตะปัจจใจละถึงมีเจดวาระณปัจชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณเสวนาปัจจัยมีเก้าวาระนกามะปัจจัยมีสองวาระณวะิปากปัจจัยมีหกวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยมีหกวาระพึงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะในกุศลติกะอนุโลมปั จ, จนิยะจบสปัจจยะปั จ, จนิยานุโลมนเหตุตทุกนายยี่สิบปดอารามณาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระสหาชาตปัจจัยละถึงมีห้าวาระอัญญะมัญญปัจจัยมีสองวาระ นิสยปัจจัยมีหวาระอ anyway ุปานิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอสิวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีหวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีหวาระอวิคตปัจจัยมีหวาระ พึงนับเหมือนปั จ, จิยานุโลมในกุสลติกะปัจจิญาณุโลมจบปฏิจจวาระจบสี่อุปาทินติกะสองสหชาตะวาระหนึ่งถึงสี่ ปัจยะจตุกนัยยี่สิบเสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่กลรรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยปฏิจจวาระและสหชาตาวาระเหมือนกันสหชาตาวาระจบสอุปาทินติกะ ส ป, ปัจจยาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังฆาวาระเหตุปัจใจสามสิบสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่ง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 ขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามทำขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขควิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายยาญตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ละถึงเพราะอาวิคตะปัจจหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนยสย3สิบหเหตุปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระ อธิปติป mm ัจ hmm. mm ัยมี๙วาระอันันตระปัจจัยมี๗วาระสมนันตระปัจจัยมี๗วาระสหชาติปัจจัยมี๑๑วาระอัญญามัญญปัจจัยมี๗วาระนิสยปัจจัยมี๑๑วาระอุปนิสยปัจจัยมี๗วาระปุเรชาติปัจจัยมี๗วาระอาเสวณปัจจัยมี๖วาระกรมมปัจจัยมี๑๑วาระ วิปากปัจจัยมี1ิดวาระอหารัปัจจัยมี11ดวาระเอินชริยปัจจัยมี11ดวาระชานะปัจจัยมีสิบเอดวาระมัคคะปัจจัยมี11ดวาระสำปยุตตปัจจัยมีเจดวาระวิปยุตตะปัจจัยมี11ดวาระอธิปัจจัยมี11ดวาระณฐิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมี11ดวาระ เหตุทุกกนในอรมณะปัจจัยกเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีสิบเอ็ดวาระพึงนับเหมือนในกุศลติกะอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจนิยะหนึ่งวิพังควาระนัเหตุปัจจัยสามสิบหกสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน ทำสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุปัจจัยได้แก่ละถึงทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะสำหรับเหล่าอสัญญาสัตวพรมรำมหาภูตรูปหนึ่ง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 และเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป <combined> right. ็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นอเหตุกะซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอเหตุกะซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทำหัตถยวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น โมหะที่สหระคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหระคตด้วยอุทัจจะรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทมสภาวะธรรมที่กรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุุกะซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานทำมหาภูธรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานรูปโมหะที่สหโรโคด้วยวิจิกิจฉา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 ขันสองทำขันสองและหาทายวัต umm ah. ถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรโคดุวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะทำขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะและธทำทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนาอารมณะปัจจัยสาสิเจสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 เพราะนาะอนันตระปัจจัยเพราะนะสมนันตระปัจจัยเพราะนาัญญมัญญปัจจัยเพราะนาอุปาณิยัปปัจจัยเพราะนาปุเรชาตปัจจัยเพราะนาปัจชาชาตปัจจัยเพราะนะอาเสวนปัจจัยนากรรมปัจจัยสี่สิบสรรวะฒนธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 และทำหัตถยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนาวิปากาปัจจัย41สภาวะธรรมที่รมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน